Book 2 5ห้าสิบสี่ตซื้อของน a k u p o พ a n i เผมต้องการซื้อของขวัญเซลเบสมกูปิจิดารแต่เอาที่ไม่แพงมากอะเนิช มันแพงเก a นไอาจจะเป็นกระเป๋าถือคุณอยากได้สีอะไรสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวใบใหญ่หรือใบเล็ก ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับหรือว่าทำมาจากพลาสติกทำจากหนังแน่นอนครับ ใบนี้คุณภาพดีมากครับและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะครับผมชอบครับผมเอาครับ ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าต้องการ ไ, ได้แน่นอนครับเเราจะห่อของขวัญให้คุณที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ